วิริยเนะทุกขะมัจเจติบุคคลล่วงทุกได้พระความเพียคลลพร ค, ยนคนเราเมื่อตั้งความหวังอะไรแล้วผิดหวังมักจะต้องทุกข์ใจและท้อใจหมดกําลังใจในการต่อสู้อุปสรรคของชีวิตความอดทน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 ซึ่งเรียบเรียงโดยท่านธรรมวัฒโภพิกุแห่งวัดโสมรัรวิหารกรุงเทพมหานครโดยสื่อธรรมสร้างสรรนี้จะเสริมสร้างกำลังใจให้มีความเพียรพยายามฝ่าฟัานอุปสรรคของชีวิตและพัฒนาจิตใ จ, ใจด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจัดทมโดยสนทิชัยทวีโชคทรัพย์สิน มูวนที่หนึ่งความเพียรมาจากสัต บ, บารีว่าวิริยะหรือวายามะในคัมภีร์คุตการนิกาย มหานิเทศพระสารีบุตรได้อธิบายว่าความเพียรหมายถึงความก้าวไปข้างหน้าความดําเนินไปความบากบั่นความพยายามความอุตสาหะความหมั่นความออกแรงความไม่ถอยหลังความทรงไว้ความไม่ย่อหย่อนความไม่ทอดทิ้งฉันทักความไม่ทอดทิ้งธุระ นอกจากนี้ในอัตถกถาสภาสวะสังวรสูตรกล่าวว่าความเพียรเป็นสภาวะที่แก้วกล้ามีความประครับประคองจิตเป็นลักษณะมีการอุปถัมจิตเป็นกิจมีความไม่ท้อแท้แห่งจิตเป็นเครื่องปรากฏความเพียร เป็นคุณสมบัติหรืออาการอย่างหนึ่งของจิตเป็นคุณสมบัติที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วถ้าภาพเพียรไปในทางที่ถูกเช่นหาเลี้ยงทีพอย่างสุจริตให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็จัดเป็นกุศลธรรมนำความสุขความเจริญและความสำเร็จมาสู่ชีวิตแต่หาภาพเพียรไปในทางที่ผิดเช่นเสพของมึนเมาเล่นการพนันฆ่าสัตว์ ลักรัพ์ชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนในอัตตกถารูปาทิวัก์กล่าวถึงความเพียรสองประการคือ 1. ความเพียรทางกายได้แก่ความเพียรทางกายของพิสุผู้ชำระจิตจากนิวรณ ด้วยการเดินการนั่งตลอดวันกลางคืนภักษีเชั่วโมงในปัิชิ ม, มยามคือสีทุ่มถึงตีสองความเพียรทางจิตเมื่อพิสุผู้ภาคเพียรผูกใจว่าเราจะไม่ออกไปจากที่เร้นนี้หรือเราจะไม่เลิกขัดสมาธินี้ตราบเท่าที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะย่อมถึงความร้อมด้วยความเพียรทางกาย และจิตในประธานสูตรกล่าวถึงความเพียร4ี่ประการคือ 1. สังวรประธานเพียรระวังไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้น 2. ปะหารประธานเพียรและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป 3. าภาวนาประทานเพียรให้กุศลธรรมเกิดและเจริญยิ่งขึ้น 4. อนุรักษณะประธานเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม ความเพียรในพระอัตกถาจารย์กล่าวถึงเหตุ11ประการที่ทำให้พระพิสุเกิดความเพียรในที่นี้จะนำมาเรียบเรียงใหม่เหลือ8ข้อดังนี้ 1. ถ้าไม่รีบทำความดีเสียในวันนี้รุ่งนี้ เราอาจจะตายก็เลยหมดโอกาสทำความดีกัน 2. ง, งานจะเสร็จได้ก็ต่อเมื่อลงมือทำอย่างจริงจังถ้ามัวนอนอยู่งานก็ไม่มีวันเสร็จ 3. เราจะเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าพระสาวกพระเจ้าจากักรพรรดิมหาเศรษฐีหรือบุคคลผู้ประสบความสำเร็จอื่นๆได้เสเด็จดำเนินและเดินไปแล้วแต่ทางนั้น คนเกลียดคร้านก็ไม่อาจจะเดินไปได้ 4. ถ้าเรามัวเกลียดค้านดีแต่แบมือขอพ่อแม่ยญาตพี่น้องเราไม่อายเขาบ้างหรือห้ 5. ถ้าเรามัวเกลียดคร้านก็ไม่อาจรักษามระดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษไว้ได้ตายแล้วจะไปพบหน้าท่านได้อย่างไร 6. เราเกิดมาในตระกูลที่มีชื่อเสียงฐานะถึงเพียงนี้ถ้ามัวเกลียดค้านอยู่ จะสมควรหรือเจ็ดเขาก็คนเราก็คนเมื่อเขาทำดีได้เราก็ต้องทาดีได้ให้ได้อย่างเขาหรือเราอาจจะทาได้ดีกว่าเขาก็เป็นได้แแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆ เ, เช่นมดยังรู้จักขยันหากินสร้างรังถ้าเรามัวนอนอยู่เราไม่อายสัตว์มันบ้างดอกหรือ นอกจากนี้ความเพียรอาจเกิดจาก 1. ความเมตตากรุณาเช่นอยากช่วยเหลือคนไข้จึงพยายามเรียนแพทย์จนสำเร็จ 2. ตัณหาเช่นอยากได้ของที่ถูกใจแต่ก็ไม่อาจได้โดยสุจริต จ, จึงพยายามขโมยจนสำเร็จ 3. ความอาฆาตหรือความแค้นใจจึงมีความเพียรแล้วแก้แค้นตามสำเร็จได้ 4. ความกลัวเช่นกลัวจะไม่มีกินกลัวอดอยากก็เลยพยายามทํามาหาตินตัวเป็นเกลียวเหตุเกิดของความเพียร น, นั้นมีมากทั้งดีและชั่วแต่ถ้าสรุปก็เหลือเพียงประการเดียวคือเห็นประโยชน์ที่เกิดจากความเพียรและเห็นโทษของความเกลียดค้านอนุภาพของความเพียร ในคำพีอังกุตรนิกายเอกนิบาตเล่มที่ยี่สิบข้อที่ห2สองหน้าที่หนึ่งรสองพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเราย่อมไม่เลงเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไป เหมือนการปรารบความเพียรเมื่อบุคคลเป็นผู้ปรารบความเพียรกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปดูก่อนพิสุททั้งหลายเพราะชี้แจงถึงเหตุภายในเราย่อมไม่เล็งเห็นเหตุอืนอ่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเหมือนการปาร์รความเพียรการปาร์ความเพียรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่พระพุทธดำ ร, ร, รับนี้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพของความเพียร หลักเรื่องของความเพียรเป็นลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาคําสอนใดเป็นไปเพื่อความเกลียดคร้านคําสอนนั้นไม่ใช่พระพุทธศาสนาความเพียร น, นั้นเป็นองค์ประกอบในหมวดธรรมะที่สําคัญต่างๆมากมายเช่นอิธิบาสีโพชงเจ็เป็นที่น่าสังเกตว่าหมวดธรรมะที่กล่าวถึงความเพียรก็มักจะมีปัญญาบกากับอยู่ด้วยเสมอเพราะความเพียร ที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความเพียรที่ผิดพลาดไร้อานุภาพไม่สำเร็จประโยชน์อันใดเช่นการรีดนมจากเขาโคเป็นการกระทำที่โง่เขลาเป็นความเพียรที่ผิดอย่างมหันแม้จะพยายามอย่างไรก็เหนื่อยเปล่าไม่มีทางสำเร็จได้เลยความเพียรจะสำเร็จประโยชน์ได้ก่อต่อเมื่อมีปัญญาคอยนาทางหรือที่แนะความเพียรจะมีานุภาพหรือมีผลมากยิ่งขึ้น ถ้ามีธรรมะมาเสริมอีกสองประการคือฉันทะและจิตตะรวมเป็นหมวดธรรมะที่เรียกว่าอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่มีดังนี้ 1. ฉันทะ พอใจธรรม 2. วิริยะขยันธรรม 3. จิตตะตั้งใจธรรม 4. วิมังสาคือใช้ปัญญาในการเข้าใจในการกระทำนั้นคนที่เกลียดคร้านมัวแต่คิดบ้าสมบัติเพ้อฝันถึงเรื่องที่ไม่สามารถเป็นไปได้ซึ่งสำนวนไทยเรียกว่ามั่งมีในใจแล่นใบบนบกคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอไม่ทำอะไรจริงจัง คนที่ก่อแล้วไม่สารปล่อยงานให้ค้างๆไว้คนเหล่านี้ไม่อาประสบความสําเร็จในชีวิตได้เลยคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมล้วนเป็นคนขยันฉลาดพูดฉลาดทำและเอาการเอางานดังเรื่องต่างๆที่จะนําเสนอดังต่อไปนี้ ต่อไปเป็นเรื่องของสำคั ญ, คญที่ใจละมุดเป็นหญิงสาวผู้มีจิตใจดีงามมีความอดทนต่อสู้อุปสรรคในชีวิตพ่อของละมุดเสียชีวิตตั้งแต่ละมุดยังเด็กแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่ละมุด ต, ต้องอาศัยอยู่กับตายายเมื่อเรียนจบป .6 ก็ต้องออกมาทำงานหาไรายได้เลี้ยงตนเองและจุนเจือตาใหญ่และแม่เมื่อละมุดอายุได้19ปีละมุดได้ประสบอุบัติเหตุถูกกระแสะไฟฟ้าแรงสูงดูดเข้าจึงถูกตัดแขนขาทั้งสี่ข้างเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้แม้พิการไร้มือเท้าแต่ละมุดก็ไม่ยอมท้อแท้สิ้นหวังไม่ทำตัวให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นพยายามพึ่งตนเองโดย การเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่ศูนย์เวทศาสตร์ฟื้นฟูของสภากาชาติไทยละมุด ต, ตั้งใจและขยันหมั่นเพียรฝึกฝนตามโปรแกรมทุกอย่างตั้งแต่ฝึกนั่งฝึกเดินด้วยขาเทียมฝึกช่วยเหลือตอนเองในกิ จ, จวัตรประจำวันเช่นอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวเหมือนต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบเด็กๆใช้เวลาถึงหนึ่งปี6เดือนจึงช่วยตัวเองในกิ จ, จวัตรประจาวันได้ แม้ละมุดจะกลายเป็นคนพิการแต่ละมุดก็ไม่ได้ปล่อยตัวไปตามยถากรรมแต่สนใจเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมายจึงได้ฝึกฝนปักผ้าคอสติสด้วยปากจนชำนาญสามารถปักผ้าคอสติสได้อย่างสวยงามเหมือนคนปกติปัก ด, ด้วยมือทุกวันนี้ละมุดมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเดือนละประมาณ 3,000 บาทต้องประหยัดอดออมตอนนี้ก็มีน้องสาวต่างพ่อมาอยู่ด้วยต้องคอยเลี้ยงดูและส่งให้เรียนหนังสือจากการที่ละมุดเป็นคนที่สู้ชีวิตอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้นองๆและเยาวชนทั่วไปสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติได้ยกย่องให้ละมุดเป็นเยาวชนดีเด่นสาขาคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาจิตใจเมื่อปี 2,541 ที่ผ่านมานี้จากต้งสือพิมพ์ ม, มติชนวันที่7มีนาคม 2,542 ใครเดินผ่านไปแถวห้างสับสินค้าย่านปิ่นเกล้าก็จะพบกระมวตรีชายพิการผู้ไม่มีมือมีแต่เท้าอย่างเดียวหาเลี้ยงชีพด้วยการสารที่รองจานที่รองแก้วขายโดยใช้กระดาษสีเป็นวัสดุเหตุที่สารด้วยรองจานที่รองแก้วเริ่มเมื่อสิบกว่าปีก่อนกระมวตรีได้เห็นพัดที่สารด้วยตอกมีลวดลายที่น่าสนใจจึงหยอก ลองทำดูบ้างตอนแรกไม่คิดว่าจะทำได้เมื่อพยายามไปหลายหลายครั้งเป็นปีก็ทำได้แล้วก็เกิดความชำนาญก่อนหน้าที่จะสารเป็นเขาเคยทำงานรีดผ้าเย็บเสื้อและเลื่อยไม้เพื่อหาเลี้ยงแม่ซึ่งขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่เมื่อหันมาสารที่รองจานที่รองแก้วขาย ก็มีรายได้ดีกว่าแต่ก่อนกว่าจะสารได้ดีเช่นนี้กระมนตรีต้องผ่านความลําบากมามากต้องใช้เท้าที่เหลือเพียงข้างเดียวสารทีละเส้นทีละเส้นกว่าจะเสร็จก็กินเวลานานตอนแรกๆใช้เวลาเกินหนึ่งชั่วโมงเมื่อชํานาญขึ้นก็เหลือประมาณ40ถึง45นาทีและพยายามพัฒนาให้มีลวดลายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เวลามานั่งขายก็จะมีที่รองจานที่รองแก้วที่สารแล้วมาจากส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกระรวงรีก็จะนั่งสารให้ลูกค้าดูเพราะบางคนไม่เชื่อว่าทาเองคิดว่าให้คนอื่นทำหรือรับของเขามาขายต่อช่วงรแรกๆก็มีความประมาทอายคนดูกลัวสารไม่สวยทำให้สารช้าเมื่อเริ่มชินชาก็ได้สารตามปกติพอสารเสร็จก็ขายได้ทันที บางคนซื้อ2ถึง3อันกรมมนตรีมีรายได้วันละ100ถึง200บาทเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอไม่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจวัสดุที่ใช้ในการสารก็คือกระดาษสีต่างๆเพื่อให้เกิดลวดลายกรมวนตรีต้องจ้างโรงพริมพ์ตัดเพื่อให้กระดาษเสมอกัน จะตัดเองก็ได้แต่ก็ช้าไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารก็มีไม้หนึ่งอันลักษณะเหมือนตะเกียบค่อยๆเรียวเล็กลงตรงปลายสำหรับใช้จับกระดาษแทนมือแล้วก็มีเครื่องมืออีกหนึ่งชิ้นใช้จัดกระดาษไม่ให้เลื่อนหลุดในเวลาสารจากตังสือพิมพ์ไทยโพสต์หกกันยายน2543 มงคลชายวัยอายุ37ปีเป็นชาสุพรรณบุรีเป็นน้องคนเล็กแล้วก็มีพี่ชายถึงสองคนมงคลนั้นพิการแขนกุดทั้งสองข้างมาแต่กำเนิดมีแขนขวาโผล่ออกจากหัวไหล่เล็กน้อยแต่โชคดีที่พ่อแม่และพี่ชายรักใคร่ช่วยกันดูแลโดยไม่รังเกียจเมื่อเรียนประถมที่โรงเรียนข้างบ้านครูและเพื่อนนักเรียนก็คอยช่วยเหลือ และให้กำลังใจมงคลจึงฝึกฝนใช้เท้าเขียนหนังสือแทนมือได้มงคลเรียนเก่งตั้งแต่ปหนึ่งถึงปสี่สอบได้ที่หนึ่งหรือที่สองของห้องเป็นประจำจบปสี่ก็เลิกเรียนเพราะโรงเรียนมัธยมนั้นอยู่ไกลไปไม่สะดวกช่วงแรกที่ออกจากโรงเรียนรู้สึกท้อใจมาก มองไม่เห็นอนาคตเลยแต่พ่อแม่ก็ได้ให้ข้อคิดเตือนสติมงคลจึงคิดได้ว่าที่ผ่านมาสามารถใช้เท้าแทนมือได้ทุกเรื่องทนกิจวัตรประจำวันขี่จักรยานยนต์โดยใช้เชือกรัดแทนรถแล้วคล้องตัวแทนมือขี่ไปไหนมาไหนได้ขับรถยนต์โดยใช้แขนที่โผลออกมาเพียงเล็กน้อยจับพวงมาลัยใช้เท้าเข้าเกียร์หยีบคคันเร่งและเบรกได้ เมื่อคิดว่าความพิการไม่น่าจะเป็นปัญหาหนุ่มนักสู้ก็เริ่มต้นโดยการไปดูช่างในละแวกบ้านซ่อมรถแล้วกลับมาฝึกด้วยตนเองที่บ้านจนสา ม, มารถซ่อมรถจั ก, กรยานยนต์ได้เหมือนช่างทั่วไปโดยใช้เท้าแทนมือนี่เองเมื่อรับซ่อมรถจนชำนาญมากขึ้นก็รับซ่อมเครื่องสูบน้ำ อ, อกเชื่อมต่อเหล็กและท่อต่างๆมีรายได้เฉลี่ยวันละ50บาทเท่านั้น แต่ก็พออยู่พอกินพอได้เลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งอายุมากแล้วก็เริ่มป่วยไข้นอกจากนี้ยังส่งเสียหลานชายคนหนึ่งจนจบปหกได้อีกด้วยจากนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันที่30ตุลาคม2543 คนส่วนมากมักจะว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองกล่าวคือตำหนิความเกลียดทรัายของคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ขี้เกียจในทางตรงข้ามเมื่อชื่นชมความขยันของคนอื่นแต่ตัวเองกลับไม่ขยันเมื่อคนส่วนมากโน้มเอเียงไปในทางเกลียดทรัคนที่นึกอยากได้ดีโดยไม่ลงมือทำความดีนั้นจึงมีอยู่มากในโลกนี้ บนนทาง ค, คนที่จนที่สุดในโลกก็คือคนที่จนใจเมื่อจนใจเสียแล้วก็จะงอมืองอเท้าไม่ยอมทําอะไรไม่รู้จักพึ่งตนเองคอยพึ่งคนอื่นอยู่ร่ําไปถึงมีมือมีเท้าก็เหมือนไม่มีนับเป็นคนที่น่าตําหนิส่วนคนที่ใจสู้แม้ไม่มีมือไม่มีเท้า หรือมีแต่เท้าเพียงอย่างเดียวก็ยังสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องขอเขากินนับเป็นคนที่น่าสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ ง, ง, ส, งสุดยอดจนคือคนที่จนใจงานสิ่งใดหนักเบาไม่เอาสิ้น มีมือเท้าเฝ้างอขอเขากินโลกดูหมินนินทาหน้าไม่อายคนพิการไร้มือเท้าเอาปากกัดเฝ้าฝึกหัดกิจที่ควรเร่งขวนขวายหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ดูดายชนทั้งหลายนิยมน่าชมเชย 绿草黄。 เรื่องลูกคนขายส้มตำมุ่งสู่ทรรมเนียบอรไทยหรือน้องตุ๊กตาเด็กสาววัย20ปีเกิดและเติบโตในชุมชนแออัดเป็นน้องสาวคนเล็กมีพี่สาวอยู่สองคนพ่อแม่ขายส้มตำที่ชุมชน จึงมีข้าวให้ลูกกินไม่อดอยากแล้วก็มีเงินให้ลูกเรียนหนังสือบ้างแต่ก็ไม่มากนักพี่สาวของตุกตาไม่ยอมเรียนหนังสือเพราะมีปัญหาส่วนตัวทำให้พ่อแม่ผิดหวังมากตุกตาไม่อยากให้แม่ร้องไห้ไม่อยากเห็นพ่อกินเหล้าเพราะผิดหวังในตัวลูกๆจึงบอกกับพ่อแม่ของตนว่าตนเองนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นจะทาให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้พ่อแม่เสียใจตุกตาเรียนอนุบาลที่โรงเรียนในชุมชนเรียนประถมที่โรงเรียนสายปัญญาได้รับทุนการศึกษาด้วยขณะที่เรียนอยู่ก็ได้เห็นรุ่งพี่ที่โรงเรียนสายปัญญาคนหนึ่งสอบทิงทุนกพได้จึงรู้สึกทึ่งอยากได้ทุนบ้าง จากนั้นก็ได้เรียนบัญชีที่โรงเรียนปพิพิพมุขต้องอยู่กับตัวเลขไม่ได้พูดคุยตุกตานั้นเป็นผู้ที่ชอบพูดมากจึงไม่สามารถจะทนกับการเรียนแบบนี้ได้จึงได้ลาออกและก็สอบเข้าเตรียมอุดมสายสินเมื่อสอบได้ก็ขอทุนจากโรงเรียนโรงเรียนไม่เชื่อว่าตุกตาจะเป็นเด็กชุมชนเมื่อตุกตาพาไปดูที่บ้านโรงเรียนจึงให้ทุน ทุกตาเป็นคนมัธยัต์ขยันทำงานบ้านพูดจาตรงไปตรงมากล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ชอบอยู่เฉยๆเป็นคนใฝ่รู้ไม่อ่านแค่ตำรายังไขว่คว้าหาความรู้ตลอดเวลาเพราะทุกตาคิดว่าโอกาสที่ได้รับทุกคนมีเท่ากันแต่ไม่ยอมคว้ากันเองเท่านั้น ตุกตาชอบทากิจกรรมมาตั้งแต่เด็กแล้วชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบเล่านิทานเพราะเชื่อว่าการทำกิจกรรมมากจะทำให้เป็นคนเก่งขึ้นดังนั้นเมื่อตุกตาอยู่ชั้นม .1 ถึงม .2 ก็ไม่สนิทกับเพื่อนบ้านแล้วเพราะมีกิจกรรมที่โรงเรียนมากสภาพชุมชนก็เปลี่ยนแปลงไปมีแต่ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดตุกตาเห็นเขาขายจันตรงหน้า แต่ก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะไม่สนิทกันและคนอื่นก็ไม่มายุ่งกับตุกตาเช่นกันเม <or> ื่ออยู่ม .6 ตุกตาก็สอบทุนรัฐบาลกพได้แต่ขณะนั้นรัฐบาลขาดงบประมาณเมื่อประกาศผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตุกตาก็ได้เรียนอักษรศาสตร์จุฬาชั่วคราวภายหลังจึงเป็นนักเรียนทุนคนแรกที่บินไปศึกษาที่รัสเซียในระดับปริญญาตรีปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอกรัสเซียศึกษาใครจะคิดบ้างว่าลูกคนขายส้มตำในชุมชนแออัดคนนี้จะเติบใหญ่ก้าวไกลไปถึงเมืองนอกและมีอนาคตอันสดใสรออยู่ การที่ตุกตาได้เรียนสูงขนาดนี้ก็เพราะแม่สนับสนุนแม่จะบอกว่าเรียนเรียนไปเถอะเรียนให้สูงสูงจะได้ไม่เป็นเหมือนแม่เหมือนพี่พี่เมื่อเรียนจบปริญญาโทและทำงานใช้ทุนแล้วตุกตาอยากจะเรียนต่อปริญญาเอก อยากเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเชื่อว่าตุกตาผู้เข้มแข็งและฝ่ดีคงจะสารฝันให้เป็นจริงได้โดยไม่ยากนักจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ12สิงหาคมพุทธศักราช2542รอิบุณทริกาพิทักษ์รายงาน